พูดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนจริงมันหลุดหมดเหมือนกับที่วายหลวงพ่อเคยพูดอย่างที่เราพูดเอารู้อย่างไม่รู้เหตุอันรูปแบบนะเอาสตางค์ลงไปถเรียนมันมันกายไปเลยมันไม่มีขันแต่มันมีขันมีขันเขถ้ามีขันเนี่ยมันมันนี่มันไม่มีขันมันลวกไปแต่มันมีขันมันรู้สิ่งที่รู้เขาเรียกวิญญาณขันนีอันรู้นะวิญญาณขันแต่มันไม่มีขันมันมีวิญญาณ ขันไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันขันมันมีแต่มันไม่มีขันมันมีรู้แต่มันไม่มียึดมันไม่ได้ยึดขันไม่ไดยึดขันขันเขาไปยึดเป็นเป็ยขันเน่ยวิญญาณวิญญาณแต่นวันรู้แต่เขาไม่ได้วิญญาณขันวิญญาณนี่ยทท่งวิญญาณขันเแต่ขันมันมีแต่ไม่มีวิญญาณขันเน่ยเป็นวันร้ถ้าไม่มีขันก็ไม่้เป็นวิญญาณมันมีรู้ ไม่มีขันรูปมันมีอยู่นี่ขันรูปกู้เนี่ยมีขันเวธนาขันเนเวทนาอกูทุกข์กูสุขเนี่มีเวทนาใสๆมันไม่มีขันเข้าใจไหยเออเนี่ยขันมันยึดไม่มีขันมันไม่ยึดคันมีขันมันไม่มีขันมันไม่พุกคือมัขันเดียวนั้นขันเดียวคือมันมันไม่มีมันแอนจะพูดไปร้อยอันขันอันก็ขาวมันก็ยังคิ่ในขันเดียวนั้นก็อยู่ในขันเดียวนั้นระกบ ขันยึดตัวนี้นะตัวยึดนี่แหละในขันปล่อยขันยึดนี่แหละเป็นอันวางไม่มนขันเดี๋ยวในขันเดียวกันขันรู้นั่นเอตัวต่อยตัวนี้แล้วการเกิดดับเพินก็เกิดใช่มมไครับอือาการกระดับอาการเกิดดับพอเดี๋ยวมันหยุดปั๊บอาการกระดับเกิดมาเกิดดับแล้วก็หมดเลยหมดจนมัน ไ, มไปเข้าดักที่หลวงพ่อรู้เลยนี่คือหลวงพไม่เคยรู้อย่างนี้ก็ดูผมชิดีดูมันไม่ยึดไวเข้าไวเข้า มันคิดมื่ผ่านไปมันไม่ยึดผ่านมันกับช่วงขาดไปเหมือนกับเอาลูกบอลแจสสอดเข้าไปในรูนะที่ก็ไปมันไขคนเดียวพอดีไขคนเดียวสภาพอาการเกิดดันกระดูกออกจากกันมืยมันไม่ติดกันมันขาดกันแล้วเขาเรียกอายาชนะเห็นีอย่าให้มันไปขวบเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยหงามมันไม่มีขันนะมันกับมือไปยึตถมแต่ว่ามันไม่มีขันแต่มันมีขันแมันมีคนรู้มันเลียกอาการกระดับกระดกการกระดับ อาการกระดับหมายถึงขาดนั่นเองไม่ใช่อาการกระดับมันคิดมันคืออันนั้นมันอาการกระดับน้อยๆคือมันขาดเมื่อใดนั้นอาการกระดับนี่มันขาดมันจะเป็นหดเหมือนกับซึกงในร้อนเอาไปจุดตรงกลางนะจุดมังไหม้ไปคนฐานกันเลยมาติดกันไม่ถนกันเลยอันนั้นอาการกระดับในฐานะพุทธศาสนิกนู่ก็่อเคยพูดสมัยนั้นผมอยากเอามือลืมเข้ามาเนี่ยมันขอรองรับออกผมไปปลุกไม่ได้ ไปพ่อที่ไหนก็ไม่ได้เกดออกมาเลคือคนได้มันเหมือนเขายังว่าคนหมดกรรมแล้วไม่ได้เกิดเขาว่าอย่าหน้าทำลายคนใดยังมีกรรมอยู่คนนั้นต้องเกิดมันจะหมดกรรมทางไห น, นมันก็มันคาดแล้วมันจะมีกรรมอะไรเนี่ยว่าพระเดียเจ้านั่นนะทํากรรมดีไม่เป็นาพระชูนชีมก็ <c oughs> มันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ตุ๊กตาเท่านั้นเองนันมันมีเท่นั น, น, นคนมันต้องเป็ น, น, นแต่ทุกคนต้องเป็นเท่านั้นนะ หลวงพ่อยังรับรองได้ทุกคนต้องไปประสบอันนี้ถ้าหากยังไม่เปลเดี๋ยวนี้เนี่ยจวนจะบุญลมหมายใจต้องไปเปลี่แต่ต้องฟังให้เปลี่ยนไว้ถ้าเรายังไม่เป็นต้องฟังให้เป็ี่ยนเอาไว้หลวงพ่อเข้าใจอ ย, ายอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่เคยได้ยินตำราเลยตอนหลวงพ่อเป็นโอทุกคนต้องมาที่นี่ไม่มาที่นี่ไปไม่ได้ <ing> ทุกคนต <ing> ้องมาที่นี่ทีเดียวถึงจะลู่ธรรมะก็มาที่นี่ไม่ลู่ธรรมะก่อนมาที่นี่ รู้ธรรมะ ก, ก็ต้องตายไม่รู้ธรรมะ ก, ก็ต้องตายมันต้องตายแท้ๆนี่แต่ว่าตายตัวนี้มันตายใครๆแต่ว่าตายเสียคนตายเอี่ยเรี่นเลยเสตายเสียคนตายตายแต่เนี่ยมีลมหายใจนั่นคือคาพูดนั่นเดี่ยวการปฏิบัติตะต้องพวกเราฟัางกันบวบบวก็นต้เนี่ยคนทุกข์ยังไม่มีนคนสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีมมสุข ไ, ไม่มีนี่ผ่าน อย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิพานเน่จะเราไม่เคยดูใจเรามันเป็นยังไงไม่เคยดูก็สบายก็สบายอยู่เสมอมันไม่ได้เบิ่งเข้ามาในตัวพอดีเราย่อเข้ามาโอ้เป็นอย่างนี้หลักปรัชไม่มีทุกข์ไม่มีสุขในเดี๋ยวนี้อ อ, อืเฉยๆอยู่หลักษณะนี่แหละมันมีอยู่แล้วอันนี้แหละพระพุเจาท่านบอกให้อยู่นี่วันนี้เราไปทำงานอะไรก็ทํางานด้วยเฉยๆทํางานไม่หวังอะไรทํางานเพื่องานทําดีเพื่อดีเท่านั้นเอง เขาว่าทํางาน<ม>เพื่อ ง, งานทําดีเ<ม>พือพ่อดีเนี่ยจะจะพูดอย่างไรทาเพื่อความดีอันนี้เพื่อความดีอันนี้เท่านั้นเองแกทุกคนได้มาในโลกนี้เจ้ามาทํางานอันนี้แต่มันอยากได้ดีแต่มไม่ได้ทำดีเลยมันทําเพื่อหวังเอาเลยมันก็นไม่ได้ดีแล้วนะก็คือให้เรารู้สึกเฉยเฉยแล้วก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อไปต่ <คำ S 2> ที่จริงเนี่ยความรู้สึกเราได้ขาดจากสิ่งนั้นแล้ว<อ>มันถึดเกี่ยวแล้วในงานก็ยังมือต้องหน้าต่างาทําเดินโอ้ก็ไม่ทำก็ไม่ได้เลยมันก็ทิ้หน้าที่ดป ครับลักษณะเราภายนอกก็เหมือนเดิมเลยไม่เห็นเหมือนเดิมนลยเหมือนเดิมเรางานตามหน้าที่หน้าที่ที่ไม่ได้คันที่หน้าที่กับบ้านมันกับพังอย่างที่เมืองไทยเราเนี่ถ้าคนมีธรรมะมาทุกคนแล้วจะไม่มีตารวจทหารก็ไปเป็นเมืองขึ้นเขาจะหนี้หํารวจทหารก็ต้องมีที่การปกครองนะการปกครองประเทศชาตบ้านเมืองต้องมีที่จะปกครองด้วยสติปัญญาเนี่ยไม่สบว่าจะ อย่างที่พ่อบ้านแม่บ้านเรามีเงินมีทองมากมนะเอาไปที่มังารถนนผู้ไร้มันมีเขาไปเอาไปไมีก็ได้เราต้องเก็บต้องขังด้วยแล้วก็สมมติต้องทุกอย่างงานไม่ทำงานก็ไม่แล้วงานไม่แล้วก็ก็ค้างมือค้างมือก็ไปทำงานวั น, ว, น, น, น, นวันนี้จะมาทํางานอานหน้ที่จะทําวันนี้กลับไปทําวันที่ทําไม่แล้วนะี่งมันก็งานไม่แ ล, แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นก็ผลทีดด่สุดก็เลยงานหน้าไม่ทำก็เลยปกติก็เลยนานก็ไม่เดินบ้านหมึงก็เดยร้อง คือเราต้องทำให้มันแล้วแต่ละวันละวันละวั น, วนไปนั่นเอเราจะไปทำงานพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าทาวันนี้งานวันนี้จะมาทำวันนี้ไม่ได้เรื่าาองดีตอนาคตต้องเอาปัจจุบันเป็นเกมไปทั<ม>้งหมดพระพุทธเจ้าทรสนสอนอ่างนะพ่อข้อาการที่ยึดสังขารเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราก็ยัง ปล่อยจังคายล่ะสังคายยากเพราะเราสึกเราก็ยังเป็นห่วงไม่อยากให้เราเจ็บเราป่วยแล้วเป็นยัไงหรือป่วยอยู่คนที่ยัง เ, เป็นห่วงไม่อยากให้เจ็บบ้างกัน <c oughs> อันนี้คือการยึดใช่ไหมคะเป็นยึดเป็นตามเรื่องของคือว่าเรามีคนจําเป็นเจ็บใครได้ไปต้องไปหาหมอเท่างหมดเราจะช่วยเรอนะไรไม่ได้เป็นหน้าที่ของหมอหมอเขาจะช่วยเราแล้วมอบให้เขาเลยได้ไหมล้างกายเราทั้งหมดเลยมอบให้หมอทั้งหมดเลยเราจะพยายามประคองแต่ไม่บรรลุเท่านั้นเอง อย่าให้มันมีขัดก็ไปยิ้มโอ้โหเจ็บแขนเจ็บขาเนืยหนักะไรนะมันก็เพิ่มทุกข์ขมขื่นยัดให้มันซาวมันซาวไม่ได้เพี่ยงเจ้มอให้กินยาต้องกินเมื่อเรากินอันนั้นมานคจะได้ยกเลิกแตกินไปก็ไม่ได้ยกเลิกก็แลี่ไปจะเพียงบวามรู้มันไวรตรงนั้นมันไม่ใช่จะหายนะอันนี้หลวงพ่ไม่ได้เป็นหมันไม่ใช่จะหายนะมันต้องประทังมันไว้เพือเรือเราเรือเรามันโทมมันเรียกว่าเหลือหัว์หรือยังไงพระส เงนนรั่วมันต้องอุดอุดไม่ไหวก็ปล่อยไปคนนั้นเองต้างอุดนนไม่อุดไม่ได้ไหมคันไม่อุดก็จมไปมันทำไมมนะันต้องอุดอุดกรไม้ถึงบารุงมันไว้บำรุงมันไมนะ้เมื่อมันอุดไม่ไห ว, วก็จมไปแล้วไป ค, ไไนะคือจะไปยึดไหมาไปใส่ใจตรมันมากแนคะ่ไหเนี่ยใใจมากไม่ได้ คนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเล้มันไม่ตายตายทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหูทิฏตาทิฏเป็นผู้มีให้ว่าเป็นผู้วิเศษเดียวโลกจตายได้แต่ว่ารูป ก, กายที่มันเป็นอย่างนี้เนื้อหนังสังขารนี่เป็นอย่างนี้เป็นว่าท่านเอเปรียบเอาไว้เหมือนกับไม้เนี่ยเอาไปซุ้มไฟแล้วมันหมดไปหมดไปแล้วกับเป็นเข้าเป็นทานไปหมดตรง น, นั้นเแล้วจะเอ า, ฟาไฟไหมมาเป็นพันที่ไหน ไ, หมไม่มันไม่มีเสือเ้อได้ ที่ที่พูดในอาการจะออกมาจะไปหมดแล้วมันไม่มีเสื้อหรืว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรายไม่มีอะไรเสื่มันจะมาเกิดัำนมไม่มีเมื่อก็ไฟเอาไปซมมันหมดแล้วหมดเสื้อแล้วไม่ฟืนกัหมดเสื้อแล้วไฟไม่หมดแล้วแล้วจะเอาฟืนที่ไหนมาอะไรอันคนนี่ก็เหมือนกันคือมันขาดกันแล้วจะเอาอะไรมามาเกิดทำไมมาคุ้มอะไรมไม่มีคนเราไม่รู้อันนี้เลยดูโอ้ มันพูดยาต้องประสบ ก, การณ์เข้ามาเั้นนะ จ, จะรู้ลงหน้าไปได้จะคาดคิดแต่ไม่ได้มันต้องปรฏิบัติทำกลมรู้สิบตัวนี่แหละมันจะรู้มันจะรไปมนจะไปถึงที่สุดก็คุ้มได้จริงๆเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันก็โอหลักฐานนี้นีงนี้เอนี่คําสอนของพระเจ้านิดเรื่องอื่นนั้นมันเป็นคําสอนของคนอื่นสอนมาแต่พระเจ้าสอนจุดนี้น่ะแต่ท่านว่าเรื่องอื่นถ้ามันมาโดนจุดนี้เพราะทุกคนมันจะมานี้ มันไม่มีทางไปคือทุกคนต้องตายนี่เจวะอยากให้มันดีทุกไม่ใช่ว่าทุกปฏิตายทุกเดียวนี้นี่นะอย่างที่เขาพูดให้ฟังมีในจักรพรรล้านกับทบไม่ใช่น้อยนะคุณจักพันธิอนูซื้อไปบ้านอะไรครับผมไปดิคนทํางานจำปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายเหมือนคนอยู่วัดนะครับโอ้คนทำงาน คนอยู่วัดไม่มีงาน่คนอยู่วัดไม่มีงานคือว่าพวกนี้คนอยู่วัดไม่มีงานจะมีงานถ้าหักคิดถึงต้องพยายามสอนคนอยู่ในวัดจะต้องสอนถ้าไม่มาอยู่ในวัดไม่สอนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพาว่าเอาเปรียบฟังคนก็ได้นะจริงนะตรงนี้จะไม่ไม่ได้สอนคนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรกินเข้าหลวงเสียนุ่งผ้าหลวงเสียใส่ยาหลวงเสียนี่มันได้เสียทรง แค่คนทํางานทั้งโลกนะครัว่าทํางานตามหน้าที่ทํางานเพื่องานทํางานเพื่อมนุษย์ทํางานเพื่อโลกทํางานเพื่อสันติทํางานเพื่อสงบเนีคือว่าไม่ทํางานก็เดือดร้อนอีกถ้าทุกคนมีงานทําแล้วงานไม่เดือดร้อนบนหนูไม่เดือดร้อนใช่ไหมเรื่องนี้คนมันว่างงานเะดี้อันพูดอะไรกันมันยิ่งพูบไปยิ่มากแต่ไม่ต้องพูดะพูดในน้อยดีถ้าทางานโดยไม่ต้องพูดก็ปฏิบัติได้ได้ แ ต, แต่ว่าคนต้องรู้ด้วยกันถ้าค น, นคนทํางานไม่พูดคนที่ไม่รู้เขาไม่รู้จักต้องพูดพูดอย่างเป็นเรื่องสมมุติถ้าคนงานรู้จักด้วยกันคุณสัจะพันคุณอันสลิปเนี่ยทุกพดีจะครบทํางานอันเดียกันรู้จัก ง, งานของเราแล้วเข้าไปประพฤติทำงานไม่ต้องพูดต้องพูดทํางานของเราเสร็จแลแ้วก็แล้วจะไปพูดใครพูดแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมวันนี้คนที่ยังเทศหลวงพ่อไปทํา ง, งานคันถ้าพวกคุณพวกหนูไม่พูดให้ ค, ความรู้เขจะทํางานเป็นหร ก็ทําให้เป็นนะเราต้องพูดต้องแนะนำเขาต้องพูดให้รู้ต้องแนะนําให้รู้แต่อยอมพูดนะคำว่าพูดคำนี้น ะ, ะมันกลิ่นของกู้เ ม, มื่อเราแนะนําแล้วก็มสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็เชื่อเหมือนกันอีกหนึ่งก็ไม่เชื่อเพาเป็นทางกา ร, ร, ร<ะ>คนไม่เชื่อก็าต่อยไปเหมืนนอนว่าคนไม่เชื่อนั้นเขาจะดึงเราไป<ะ>อย่าให้เขาดึงเราไปใช่ไหมอย่าให้เขาจับเราอย่างที่คุณ คันถ้าเขาจับเราเราลำบากเราจับเขาสบายเมื่อเขาจับเราแล้มด like ึงเขาไม่เชื so ่อแบบนี้บางทีเขาหาเรื่องค่ะใช่ค่ะเขาหาเรื่องมาโนยจะให้เขาจับเราเพราะคาเดียวมันมันพูดแต่มันกินของพูดคำพูดในหลักภาษาและพวกคําเดียวในนั้นมันกินก้วงไปน่าเอันทักคนมีปัญญาเราสั่น้อยมันเชื่อ ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วฟังมากฟัมากๆถ้าพวกเราคือเรื่องปัญญาสบายจะคนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็ยากคนคนไม่รู้มันก็ธรรมดาเราพูดหลายครั้งถ้านี้เขาหาเรื่องมาให้เราที่เราก็ต้องให้อภัยให้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละเราต้องให้เชื่อแล้วมันเรื่องมันก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีเลยก็ต้องเราก็ให้อภัยเขาไปให้บางอย่างเจอ บางอย่างเราก็ไม่ต้องพูไม่ต้องพูดต้องพูดแล้วก็เฉยไปเลยคือให้อภัยแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจึงพูดเขาไม่รู้เขาจึงทำเมื่อเขารู้แล้วเขาไม่พูดเขารู้แล้วเขาไม่ทเขาก็มองหน้าแล้วเราเขาทําไมจึงไม่พูดอย่างนั้นหรือเขาไม่รู้หรเขาไม่รู้แล้วเขายังพูดเอาไว้คนเกิดมาระดับสติปัญญาไม่เหมือนับบางทีเขาดีเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ดีเท่าเขาเลยบางทีเขาไม่ดีเรงนั้นเราดีกว่าเขาก็ได้ใช่ไหม ถ้าหากรู้จักคิดแับนิดเดียวจะเลวกว่าไทยได้คือบางทีเขาไม่รู้จริงๆบางทีเขาไม่รู้อย่างนี้เขาจะอาจจะรู้เรื่องอื่นนะครับเลยเขายาเปรียบไปคือเอาน้ำคุนกับน้ำใสผสมกันอธิบายให้เขาฟังคุณอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจเลยเขาว่าน้ำใสโดนแก้วน้ำมันคุลมากเกินไปน้ำใสเข้าไปได้กัดปอดไป <S <S ไคือเราอธิบายให้ฟังน้ำคุล น, นก็ค่อยจางลงไปน้ำใสก็ค่อยผสมก็แตกมันก็พอไปได้ อธ่บายก็เขาฟังคันอธิบายทงสามสี่ครั้งแล้วฟังไม่รู้เรื่องกับปอนไปนานๆก็ต้อไปนะครับว่าไม่ทิ้งสังสุดเราก็ไม่ได้ทห้แต่ไม่ได้จับเขาไม่ได้ออาของมรคนมาดูไม่ได้แบนั้นนถ้าอย่างนั้นติดตามเขาอยู่เรื่อยไม่ได้อย่างที่คนทําผิดไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้เต็มรู้อันนั้นเนื่องว่ามันจะดีหรือมันคอยทาเข้าไปในมันผิดแต่เราก็ต้อเระวังทํารองอย่างนี้อันนั้นมันจะคปนผิดมาจะ ซอนตัวมายาณก็ต้องมองลูยังว่าคนผู้มีปัญญาจะมองไกลคนมีปัญญาต้องมองมองไกลๆคนปัญญาน้อยต้องมองใกล้ๆอือเป็นยังว่าพูดให้ฟังคนมองใกล้คนมองไกลคนรู้เร็วคนรู้ชาเร็วจะพิจารณาไ่เหมือนกัะบางทีพูดให้ฟังนเข้าใจบางทีไม่เข้าใจพูดหลายทั้งใดสองคร้วใดก็พอไป บางทีพูดให้ฟ well> ังจดจ่ายมันก็เอาผิดกับเราไปด้วยเรื่องนี้ผมขอเสริมนิดหนึ่งฮะคือเย็นเมื่อกี้ที่ว่าเรื่องทํางานนะฮะก็ทําไปเรื่อยๆทีนี้ผมว่ามันมีมันเป็นสามอยู่การทำไปเรื่อยๆมันก็คงมีสองแบบอยู่ดีครับคือแบบหนึ่งทำาล้วไม่รู้คือทาอย่างที่เคยทำแต่อีกอย่างหนึ่งทำาล้วรู้ไปเรื่อย เปนสองอย่างนี้ก็ต้องเหมือนกันไม่เหมือนกันนเขาไม่รู้เขาจึงทำทําแบบไม่รู้แต่รู้แต่มันแบบไม่รู้คือเขาไม่มองใครคืออย่างที่เนยรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้คือรู้อย่างสมถะเขาพูดจะทําไงรู้อย่างสมถะมันไม่ใช่รู้อย่างวิปัสนาสมถะกรรมฐานเราเป็นอุบายให้สงบวิปัสนาไม่ใช่สงบวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งมันจะสงบคันท่าไม่รู้แจ้งมาสงบไมได้ คือทํางานทําไม่ไม่รู้ก็ทําไปทำงานแล้วแจ่มันไม่มันไม่ดีคือคันรู้แจ่มก็ทําไปมันรู้งานเนทําตัวนี้มันต้องคนแก้ตัวเดียวอด ร, รู้แจ้งรู้แจรร้จงโดยเฉพาะมันจะมาแทรกแทรกไม่ได้แล้วนะสงบแบบของวัอันนี้สงบแบบวิปัสสนาสงบแบบไม่รู้คือทํางานเนี่ยทำไปหน้าที่ทำเนี่ยทําไปเห็นว่าลองปีําแหนงอันนี้ต้องทําอันนี้ไปเลยมันผิดก็ทําไปมันก็ผิดไปทำแบบไม่รู้ มันผิดก็จะให้ผมทำํำยังไงคุณทำไม่ได้อย่างที่คูดเมื่อกี้เนี่ยเขาจะให้เราช่วยแต่หน้าที่เราจะทําได้นะหน้าที่เราจะทํางานอันนี้เขียนอันนี้เขียนได้แต่เมื่อเราทํามันผิดเนี่ยเขาไม่เห็นดีเราจะทำํำในทําเลยก็ผิดะอันนั้นทำงานให้มัรู้แล้วน <c oughs> รระที <c oughs> ่พูดเนี่เข <c oughs> ้าใจคืออย่างคุณอันสลี <c oughs> คุณแต่เจร <c oughs> พันคุณอะไรเนี่ยว่าให้หนาก็ทําอันนี้ทาได้เนี่ยทําได้เราพอทำได้แต่มันทํามันผิด หลวงพ่อไปทำมันไม่ดีหรือไม่ไม่พอขันธ์หลวงพ่ทําททแบบไม่รู้เพราะสามผลไม่เห็นดีจะทำาำไมทำเพื่กว่าเสีย น, นีย่เมื่อเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายให้พวกคุณฟังมันทํำยังไงทําแบบรู้ทำได้มันได้ประโยชน์ถ้ามีค่ามีคุณนมาทําได้มันมีประโยชน์ทําไม่รู้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ เ, นนชนนเสียก ร, ระดาเสียมือเขียไปไปนอะไรทําให้มั น, มนพูดให้เขาฟังเมื่อเขาไม่ฟังแล้วก็เอาไว้ที่ด้น้ ผมไม่มีปัญญาจะทำให้คุณได้แต่ผมทําได้เป็นหน้าที่ของผมจะผมทําเจบผมทำไม่ได้อพราะเขาต้มงเขาต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ช่วยเราช่วยจะช่วยในทางที่ติดแต่ไม่ช่วยช่วยในทางที่ได้ทําทำแล้วก็รู้หลวงพ่อเขายถึงว่าทําไปก็รู้สึกตัวรู้สึกใจรู้สึกพร้อมด้วยรู้ว่าผิดหรืถูกด้วยก็ต้องทำงานติดคันถ้าทํางานไม่รู้ผิดหรือถูกมันก็เป็นสัตว์ดือ แต่สัตว์เอกชนนะสัตว์เนี่ยมันรู้จากธรรมะแต่มันไม่รู้ในขณะที่มันทําผิดทุกอย่ไม่รู้คนก็เหมือนกันกําลังทํางานอยู่เนี่ยลู้ทําแต่ในขณะทํางานนี่มันผิดมันผิดเนี่ยรู้กันเหมือนกับสัตว์แล่ใช้ตัวคนเป็นตัวใจเป็นท bah, ี่เราพบว่าสัตว์เนี่ยสัตว์ในรัศสารมันเดินได้กินได้จะมันรู้จากว่ามันเดินมันกินอมันไม่รู้ว่ากินมันผิดหรือเดินมันผิดห้ืออะไรเลยในขณะที่เราทํางานนี่กเหมือนเราทําได้ เรารู้สึกอยู่เขียนหนังสืออย่างนั้นจะรู้สึกว่าทำอย่านั้นอันนี้ถูกแต่มันผิดมันถูกไหมในขณะนี้เนี่ยมันไม่รู้ตัวนั้นถ้ามันรู้ตัวนั้นมันอยากจะเป็นมนุษย์ถ้ามันไม่รู้นัก่ามันมันจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ได้คนมันไม่ละอายเลยเพราะ่านี่ผมละอายแก้ใจมันละอายแก้ใจการจะเขียนหนังสือตัวนี้ไปเนี่ยมันผิดตัวนั้นคุ่เหลวเนี่ยพักพวกเขาไม่รับรอเร้าถ้าจะขืนทักไปกขว่าไม่มีคนละอายเขาเป็นสัตว์นิราร มันมันลึกคําพูดในหลักพรพุทธศาสนร์ลึกคือให้รู้จักในขณะทำมองถึงจิตใจแเราทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์กต่ไม่มีความละอายทยําไปเขาเป็นสัตว์แต่แม้แต่คนเป็นใจหนึ่งเป็นเขาเทียบเทียมมันสมมุติใจไม่มีความละอายนั่นแหละเป็นสัตว์เพราะสัตว์ในศาสนามันไม่มีความละอายเพราะทำไมให้มีความละอายสิ่งที่เราทําพุำ ก็ร้ว่าตอนเขาไปรักของกันไปกินเหล้าไปเป็นอะไรน่ะเป็นเรื่องการพนันเขารู้เจนไม่รู้ว่าความผิดมันซ่อนอยู่นั้นเขาว่านื่ว่ามันดีทําไปมันก็ผิดอันนั้นเขาวัดกันคือว่าโอคนที่จะกินเหล้าอ๋อกินเหล้ามันให้ทคตรยังไงคนยังไงเนี่ยเขาว่าเห็นใจตัวเขาเป็นมนุษย์หักหันได้ละอาย คำว่าเด็กคนจะพูดอันนี้มันจะผิดผู้จะเขียนอันนี้มันจะผิดก็เป็นมนุษย์มีคนักอายก็้าใจใจคนเป็นคือใจเราไม่รู้ใจเรานี่ก็นครับวบคุมตัวเองไม่ได้อดยเฉยาะยึดที่ฝึก ด, ดีแล้วนําสุขมาให้ทนันที น, นั่นเป็นไอ้สัมันมันไม่มีอื่นใจในคำว่าพระอย่างที่เราอกถ้าเป็นผู้สอนคนเท่านั้นเอง เขาทําผิดอยู่กับสอนเขาเขาจะเอาก็เอาไม่เอากขาแล้วไปถ้าเขาไม่เอาบังคับแยกย้าดเขาไม่ได้อีกแล้วเขาไม่เอานี่เคทำยังไงคันถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนพระเทวทัตได้ตีก็ต้องอยู่ร่วมกันไปอย่างนั้นนะคะก็นั่งทำผิดไปเรื่อยๆคนสอนก็สอนไปเรื่อยๆก็ต้องสอนไปเรื่อยๆเทว่ายเยียดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตกันอย่างนั้นก็ต้องรู้จักอย่างนี้โอ้คําพูดเนี่เป็นหน้าที่พูดเท่านั้นเองพูดดีพูดดีเพื่อดี เขาบอกพูดดีเพื่อดีเนี่ยมันจะว่าอย่างไงมันไม่มีคำพูดหร้อทีมีคำพูดอะไรมากก็ได้พูดดีเพื่อดีทำดีเพื่อดีเท่านั้นเองพูดดีแล้วคนทำไม่ดีมันีแล้วพูดให้คนนั้นดีเท่านั้นถ้าเขาไม่ดีเขาจะยึไม่ได้เราจะหาทางลงโทษเขด้ไหมเพื่อจะให้คน้จัเชื่อฟังอ้าวลงโทษไม่ได้เนยวคนลงโทษกันไม่ได้เขาจะโทษเขาเองโทษเขาก็จะให้เขาเองนะเป็นเป็นผลที่เขาทำจะได้รับเอง เขาจะอ้าวให้เป็นปอย่างนั้นก่อนเราไปลงโพษเขาก็ผิดเราไม่เปนะ็นเราผิดเขาเลยนะเขาไม่เราไม่สามารถจี่จะลงโพษคนได้ให้โทษของเขาทำของเขานหลมันจะดุดดุดเอาสมุดเราเดินไปเนี่น้ําปักเรานะไม่ใช่เราให้น้ปาปักเขาเราเขาไปเยียบน้ําเองเขงปาปักเขาเองได้เลยเขาใจว่าน้าําปักนั่งเส้นนันางน้ำไม่ใช่ว่าเป็นนั่งที่นั่นเรารู้จักว่าที่นั่นเป็นเส้นเป็นน้ําเป็นนั่งที่นั่นเราไม่ได้บอกอยางนั้นคนนือคุณเป็นนั่งแล้วคุณมีเสียนหรือน้ําุณก็ต้องปักคุณที่ เมื่อเส้นน้าตักคุณกะับเพราะคุณนั่งท pues, ี <t <t uh ่นั่นก็มีน้ำปักถ้าคุณรู้จักว่าที่นั่นเต็มน้ําแล้วคุณจะไปนั่งทำไมแล้วไปเรารู้จากว่าน้ำเอาไปนั่งที่นั่งเราไปลงพวกเขาจะเป็นโทษเบียดเบียนตนเนี้คนอื่นเราเห็นว่ามันไม่เป็นเส้นเป็นน้ำนะคะแล้วแต่คุณยังไปนั่งนะถ้าคุณทํำในนั่งติดนะบอกเท่านั้นเองแล้วคุณจะทํากันได้แล้วของคุณคุณทําไปมีติดกับคุณก็ติดคุณจศลละลูกคุณทำผิดกับคุณรับโทษเอง พระเทวทัตววเขาปฏิเจ้าบุตตวะไปเหตุอย่างนั้นปาไม่ได้สวยพระเทวทัตไปเห็ุเองพระเทวทัตกระตุ้งโทษระเทวทัตเองคือคําคํานี้นจะทำผิดเออ๋อเราชี้แน่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะเ<ชาย>ป็นลงโทษเพื่อพย า, <ช>ายามให้เขากลับมาดึกคิดว่าเราเปราถนาดีอะ้รก็ไม่ได้พระเอวห้ามไม่ใช่เนยห้ามแต่เราไม่ได้ห้ามมันอย่กจะทำเลนะเนี่ยแล้วกเขาในแนวทางที่ดีคืออย่างที่วางศิน อคขาตโลาตถ า, าคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงพูดแนะเท่านั้นเองที่ทางเท่านั้นเองการกระทํานั้นปเป็นควาเกอเธอทําดีมันก็ผลดีเธอทําผิดว่าคนผิดเท่านั้นชั่วทั้งกระทำนั้นมันผิดดีนั้นกระทำนั้นมันถูกต้องเท่านั้นเองเธอจะเลือกเอาอย่างไรเพีงวันแนะเจอานั้นหลีไนไม่ได้แต่เนะเนะแล้วเขาไม่ทําเลยไม่ได้คุณไม่ทำอย่างนี้นจะเอาผิดทางไห น, น อย่างที่เขาเคยพูดกันเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องประหลังประหลาดเด็กผัวแม่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีคนคนหนึ่งเนี่ยผัวเมียมีลูกชายคนหนึ่งเกิดมาเราเลีย้ยงใส่พอแม่เนะี่ยแต่คือรักลูกมากเกิดมาก็ไม่เคยใส่ลูกเลยลูกชอบอย่างเนี่ยเขต้องให้ไป่กันต่อมาใหญ่ขึ้นมาล้วก็สอนไม่ได้เราก็เป็นคนเกย์เลคนเกย์ก็ต้องกินเหล้าเมาสุราคบอันดาพานไปนะ ก็เลยไปรักเพิ่งลักของเขาพอได้รักตำรวจจับได้จับได้ไปใต้สวนก็ตัดโทษประหารชีวิตเพอได้ตัดโทษประหารชีวิตก็เลยออกประหารชีวิตแม่พ่อพ่อตายแล้วไปแม่ก็เลยไปถามทําไมไปฆ่าลูกฉันไม่ได้ฆ่าทําไมไม่เป็นคนฆ่าคุณไม่ฆ่าลูกฉันจะตายเทีก็กฎหมายบอกให้ถามไม่ใช่สัญฆ่ากฎหมายเขาว่าโทษประหารชีวิตฉันเป็นคนรักษากฎหมาย คนได้ไปออกกฎหมายเาไปถามไปเอไปถามคนออกกฎหมายทาไมไปออกกฎหมายให้ฆ่าลูกฉันไม่ได้ออกกฎหมายฆ่าลูกคุณบอกว่าออกกฎหมายไม่ให้คนทําผิดนี่ก็ไม่ไม่ไม่ลูกผมไม่ได้ผิดนะไปออกกฎหมายอ่ะเถียงกันไปกันมาแต่ไม่ไม่ลงร้อยอยนี้ไม่ใช่บอกออกกฎหมายคนฆ่าพักอะไรประเทศใดก่อนพักตัวเดียวผู้สอนไม่ได้ครับพักเลยเถียงกันอย่างสองคนผู้พากษาอะไรคนออกกฎหมาอย่างเลยใครเป็นคนออกกฎหมาย เรียกว่าไข่เล่าละธรรมรงค์ตามหลักก็สภาผู้แทนะภาผู้แทนนะครับออกคุณมาก็เที่ยงพวกนั้นเองนะพวกนันก็ไม่ได้ออกค่าของเาที่ยงกันไปกันมาแล้วก็พระก็เลยมาพระมาแล้วกบสภาและธรรมรงค์สภาผู้แทนมาเลยเชิญมาตัดสินให้ผมเดี๋ยยายคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพวกนั้นเขาเมือนมีธรรมะของแต่คนนี้มันนํากำลังกระเพื่อม อ๋อไม่เป็นยังไงกับเราเลยอ๋อไม่ใช่เขาตัดสินไม่ใช่ตัดสินประหารชีวิตของคุณลูกคุณเขาออกกฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายค่าเลยคุณท่านค่าลูกคุณอทําไมว่าสันฆ่าลูกสันเนี่ยไปจันทร์ลูกโตคุณไม่สอนลูกคุณนี่ลูกคุณอย่นั้นถ้าคุณเกิดขึ้นมาคุณเกิดขึ้นมาที่แล้วเขาหยคุณต้องสอนเขาเดี๋